บันทึกเบ็ดเล็ดหนึ่งเมื่ออายุประมาณสี่ขวบจำได้ว่าไปวัดกับแม่ที่วัดห้วยพุดธขากลับวิ่งออกหน้าแม่มาก่อนตกลงไปในสระน้ำริมทางปอมแปมปอมแปมทำท่าจะจมน้ำพอดีแม่เดินมาทาันจึงช่วยไว้ได้ 2. เมื่ออายุประมาณสิบเอ็ดขวบ พี่ชายอีกคนหนึ่งมาบวชเป็นสัมมาเนยียนอยู่ที่วัดภูตะบัรพธเมื่อเป็นเด็กเขาอยู่ที่อำเภอรัตภูนที่มาบวชเป็นสัมมาเนยียนอยู่ที่นี่ก็เพราะมีพี่ชายคนโตวบวชเป็นพระอยู่เขาคิดถึงบ้านที่รัตภูมิจึงอยากจะกลับบ้านชวนข้าพเจ้าไปด้วยต้องเดินไปไกลามากกว่าจะถึงริมทะเลที่บ้านตากลมลงเรือใบเล็กๆจากบ้านตากลม ไปขึ้นที่ปากบางอำเภอรตัตภูมิเป็นทะเลสาบสงขาดูเหมือนจะมีชาวบ้านที่บ้านตากลมไปส่งแต่เมื่อไปถึงกลางทะเลฝนตกหนักลมแรงมากสมเนียนพี่ชายและเจ้าของเรือต้องลงจากเรือแล้วประคับประครองเรือไปข้าพเจ้าเป็นเด็กช่วยอะไรเขาไม่ได้ได้แต่ร้องไห้นึกในใจว่าเราคงตายคราวนี้ แต่ก็รอดไปได้เพราะลมและฝนหยุดลงสมเมื่อบวชเป็นสัมเนรแล้วอายุประมาณ14ได้เดินทางจากกรุงเทพไปสงขลาโดยเรือสินค้าของนายเพงข้าบดีคนหนึ่งของจังหวัดสงขลามีเรือสินค้าจากสงขลามากรุงเทพเสมอเที่ยวกลับคราวนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ฝากเข้าพเจ้าไปกับเรือสินค้าของนายเพงกับสัมเนรอีกรูปหนึ่ง จำไม่ได้ว่าเป็นใครพระพิสุอีกรูปหนึ่งชื่อพระจรูนอโศโกบัดนี้เสียชีวิตแล้วในเพศคารวะาเรือสินค้าโดนคลื่นหนักมากข้าไเจ้าเมาคลื่นอย่างรุนแรงตลอดเวลาอาเจียนจนไม่มีอะไรเหลือเคลียมากนอนแบบอยู่ในเรือจนพระที่ไปด้วยกลัวว่าข้าไเจ้าจะตายเพราะเมาคลื่นอยู่หลายวันหลายคืนชั้นอะไรก็ไม่ได้ ไปถึงเกาะสมุยจึงค่อยสบายขึ้นเป็นอันรอดตายในคราวนั้นจากเกาะสมุยไปสงขลาไม่เป็นไรที่เมื่อถึงสงขลาแล้วไปพักที่วัดห้วยพุทธท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปคุมงานก่อสร้างอยู่ที่นั่นท่านให้พระเนรที่วัดห้วยพุทธแจวเรือไปบรรทุกสายที่ตำบลปากบางอำเภอรั ต, ตภูนพอเรือออกทะเลสาบสงขลาไปสักพักหนึ่ง แล่นใบไปได้ไม่นานเท่าไหร่เมฆทำมืกมนก็ตั้งขึ้นฝนตกหนักต้องเก็บใบเรือเพราะมืดมิดไปหมดเลยไม่รู้ทิศทางปล่อยให้เรือถูกคลื่นซัดไปตามที่มันจะไปทุกคนนั่งเฉยๆเรือถูกคลื่นซัดอยู่ทั้งคืนโชคดีว่าเป็นเรือเปล่ายังไม่ได้บรรทุกทรายถ้าบรรทุกทรายมาแล้วเรือคงจมแน่ข้าพเจ้าคงไม่มีชีวิตมาจนถึงบัดนี้ ตอนเช้าพอสว่างก็มองเห็นทิศทางปรากฏว่าเรือไปติดอยู่ที่เกาะยอซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในทะเลสาบสงขลาต้องเดินทางอีกไกลกว่าจะถึงรัตภูมิ 5. เมื่อเป็นเด็กอยู่กับนาอาหารการกินค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์ที่มีอยู่มากก็คือเนื้อปลาพอหาได้เองตามท้องทุ่ง เนื้อวัวเนื้อหมูหากินได้ยากไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ตอนนี้ฟันไม่ค่อยดีเมื่อเจอเนื้อเหนียวเหนียว เ, เข้าก็มักจะข่ายทิง้งทําให้เราลึกถึงสมัยเป็นเด็กได้เนื้อสักชิ้นคําหนึ่งกินข้าวได้หนึ่งจานเพราะกลืนแต่ข้าวไม่ยอมกลืนเนื้อกลืนต่อเมื่อข้าวคําสุดท้าย 6. เมื่อเป็นสมัมเนรอายุประมาณ14หรือสิบห้าพระจรูญอโศโก ชวนมาชมวัดเขมาพิรตารามอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขากลับค่อนข้างเย็นไปหน่อยไม่มีรถกลับสมัยนั้นรถเม์ไม่ได้มากมายเหมือนเวลานี้จึงต้องเดินกลับจากวัดเขมาไปถึงวัดบุผารามระยะทางประมาณสิบห้ากิโลเมตรเจ็ดเมื่อเป็นสมนเนรอายุ14หรือ15าจำไม่แม่ ตรงน่องเหนือตาตุ่มข้างขวามีอาการบวมปูดขึ้นมาเจ็บด้วยได้ไปที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์หมอตรวจแล้วได้ทำการผ่าตัดฉีดยาชาแล้วผ่าตัดเลยได้ยินเสียงหมอคูกระดูกดังแกรกกเสร็จแล้วใส่ยาเอาผ้ากอสพันแผลข้าพเจ้าคนเดียวขึ้นรถเมล์กลับเลยเวลาเพลนแล้ววันนั้นอดฉันเพลน หลังจากนั้นแผลไม่หายมีเนื้อปูดออกมาประมาณเท่าผลสมองข้าพเจ้าได้แต่ใส่ ย, ยาเหลืองนานกี่เดือนจาไม่ได้ออกบินทบาทก็ไม่ได้ดีที่อยู่กันหลายรูปได้อาศัยอาหารบินทบาทที่พิสูจน์สมเด็รูปอื่นได้มาได้คุณหมอภัยทูลสืบสิริลูกชายคุณแม่ริว้วสืบสิริมาฉีดยาให้สองเข็มแผลค่อยๆยุบหายไป ตอนนั้นรอยแผลยังปรากฏชัดเจนจำได้แม่นว่ายาที่ฉีดนั้นชื่อบิสมัธถ้าได้ยาได้หมอที่ถูกกับโรคเสตแต่แรกก็คงไม่เป็นแผลยืดเยื้อยาวนานจนบางครั้งหวั่นวิตกว่าจะถูกตัดขาทิ้งนี่คือความเป็นอยู่ในสมัยนั้นคือจนและเจ็บแปดความตรึกวางส่วน ข้าพเจ้านอนเล่นอยู่บนเก้าอี้โยกผ้าใบใต้ต้นวาสนาซึ่งไม่โตนักและต้นไม้อื่นๆเช่นยางอินเดียและมะม่งวงซึ่งสูงพ้นรั้วบ้านขึ้นไปมากลมพัดเย็นสบายเมื่อเห็นนานพอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็จะลุกขึ้นเดินมีไม้ท้าเป็นเพื่อนป้องกันการเสียลมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ เดินดูต้นโมกในกระถางสูงประมาณแค่คอของข้าพเจ้าเรียงรายอยู่หลายต้นต้นคอยซึ่งอยู่นอกรั้วงันา น, นานจะหยุดยืนดูต้นหูฟางต้นมะม่วงใหญ่ร่มคลึ้มซึ่งอยู่นอกบ้านของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะยืนดูและชมมันเหมือนของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ารู้สึกพอใจในสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ได้แม้เพียงเท่านี้ มีสิทธิ์หลายคนผู้หวังดีชวนไปนั่นไปนี่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเสียบ้างแต่เงื่อนไขแห่งโครคภัยไข้เจ็บอย่างข้าพเจ้าทำให้ต้องปฏิเสธความหวังดีเหล่านั้นเพียงแต่ได้อยู่กับธรรมชาติน้อ ย, อยเช่นต้นไม้ต่างๆดังกล่าวแล้วและมีผู้ช่วยอ่านหนังสือให้ฟังช่วยเขียนหนังสือให้บ้างเมื่อต้องการข้าพเจ้าก็พอใจแล้วเปลี่ยนเป็นฟังวิทยุบ้าง ดูเรื่องที่มีประโยชน์ทางทีวีบ้างทําให้รู้สึกว่าแต่ละวันผ่านไปอย่างมีความหมายเกี่ยวกับปัจจัยสี่อันเป็นสิ่งเกื้อกูลชีวิตก็ไม่มีอะไรขัดข้องคนอายุเจ็สออย่างข้าพเจ้าจะต้องการอะไรอีกเล่าข้าพเจ้ามักหัวระลึกถึงเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายของข้าพเจ้าเสมอเสมอทั้งมรดษและเดรัฉาน บางคนเป็นอัมาพาตทั้งตัวลุกไปไหนไม่ได้นอนอย่างเดียวเงินจะรักษาตัวก็ไม่มีลูกก็ยังเล็กคู่ครองก็หนีจากไปและอื่นๆข้าพเจ้าได้เห็นกองทุกข์มือมาของมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งดิ้นรนแม้เพียงเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงชีพให้ชีวิตนี้เป็นอยู่ได้ทำให้ข้าพเจ้าคลางเบาวๆว่าเพียงเพื่อมีชีวิตอยู่ มวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะต้องดิ้นรนถึงเพียงนี้เชียหรือทำให้ระลึกต่อไปถึงบทสวดมนต์ที่ว่าทุกโขตินนาทุกขะเะเรตาแปลว่าเราทั้งหลายอย่างลงสู่ทุกข์แล้วและมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าทำไฉนไหนหนอความสิ้นทุกข์จะพึงปลากฏแก่เราความทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดหรือนัตถิทุกขังอาชาตัส ทราบมาว่าบางคนแต่งงานแล้วไม่มีลูกอยากมีลูกเป็นนักหนาพยายามขนขวายเป็นสิบปีด้วยความยากลำบากเพื่อให้มีลูกทั้งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่สำเร็จดูแล้วรู้สึกว่าเขาขนขวายแสวงหาทุกจริงๆน่าสงสารสังเวชเช่นนี้กระไร บางพวกทำแทงครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อไม่ให้ลูกมีชีวิตอยู่มองดูให้ดีเถิดสภาพชีวิตช้างน้าสังเวชเพียงไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิด บ, บ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆหรือทุกข์าชาติปูนับปูนังดังนั้นผู้วาดวันพร่านพรึงต่อความแก่ความเจ็บไข้และความตายจึงควรขนขวายเพื่อการไม่เกิด เป็นการดับภพบดับชาติเป็นบรมสุขดังพระพุทธพจน์ ท, ที่ว่าการดับภพเบสียได้เป็นนิพพานนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือภวะนิโรโทรนิพพานังปรรมังสุขขังวสิณอินทศราก้าวเมื่ออายุเจ็สิบเอ็ดช่วงเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มากนี้ ข้าพเจ้าไม่อยากสนใจเรื่องอะไรนอกจากเรื่องบุญกุศลและการมนาสิกการธรรมะหรือกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะทำให้จิตใจสงบและสว่างด้วยปัญญาเรื่องยุ่งยุ่งต่างๆทั้งภายนอกและภายในขอให้พ้นไปจากวงชีวิตของข้าพเจ้าโดยสิ้นเชิงขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่สงบสุขเยือกเย็นเพื่อว่า สิ่งนี้จะแผ่ไปเป็นประโยชน์แกม่มวลชนในวงกว้างขออย่าได้มีสิ่งใดหรือใครๆเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจนี้เลยความคิดปรารถของคนชราคนหนึ่งโล่และเกียรติบัตรปีพุทธศักราช2517ได้รับโลรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประเภทสารคดี หนังสือเรื่องจริยาบทปีพุทธศักราช2518หนังสือเรื่องจริยาศาสตร์22เมษายน2522ได้รับโล่พุทธคุณอุปการการจนาเกียรติคุณและเกียรติบัตรในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาจากคณะกรรมาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร ปีพุทธศักราช2525ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักเป็นรางวัลในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาประเภทวรรณกรรมเนื่องในโอกาสสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีปีพุทธศักราช2533ได้รับเกียรติคุณบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นรางวัลชมเชย ประเภทสร้างสรรคด้านศาสนาจากบทความเรื่องหลักกรรมกับการพึ่งตนเองกองทุนและการให้ทุนได้ตั้งกองทุนเป็นค่าพระตาหารแก่พระภิกษุสมัมเนรที่มหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏวิทยาเขตวังน้อยวิทยาเขตอ้อมน้อยตั้งทุนไว้ที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลายัย ดอกผลบํารงการศึกษาแก่พระพิสุสัมเนนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุดวัดบอว ร, อรนิเวศวิหารในการนี้ได้ตั้งทุนในชื่อของท่านเจ้าคุณอาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชดิลกหนึ่งทุนด้วยตั้งกองทุนเพื่อนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสงเคราะห์เด็กที่ควรช่วยเหลือให้ทุนนักศึกษาปริญญาตรี ผู้สอบได้คะแนนดีในวิชาที่กัระเจ้าสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏตั้งทุนที่มูลนิธิมหามกุฏดอกผลถวายแก่พระพิสุสัมมเนีรผู้อาพาธที่วัดบุพผารามเขต ท, ทนบุรีกรุงเทพตั้งทุนเพื่อพระพิสุสัมมเนีรผู้อาพาธที่โรงพยาบาลสงถวายปัจจัยพระสวดปาติโมกวัดบุพผาราม และวัดเขมาพิรตารามอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเดือนละหนึ่งพันบาทต่อวัดปีละหนึ่งสองันบาทต่อวัดเกี่ยวกับเสนาสนะหนึ่งช่วยสร้างโรงครัวที่วัดพูตะบัญพนตำบแลแฉะอําเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาบริจาคสองแสนบาท 2. ช่วยสร้างศาลาที่พักคนมาทําบุญ ที่วัดห้วยพุทธตําบลรําแดงอําเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาบริจาคหนึ่งแสนบาทสามช่วยสร้างห้องสุขาที่วัดชลออําเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีบริจาคสี่หมื่นบาทสี่ช่วยสร้างกุฏิวัดป่าภาวนาวิเวกอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจํานวนเงินจับไม่ได้ห้าช่วยสร้างห้องสุขาให้วัดที่จังหวัดกระบี บริจาค 35,000 บาทหกบริจาคช่วยในการตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาณวัดราชาที่วา่าถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพบริจาคสอง0 0 0บาทและอื่นๆเรื่องการตั้งกองทุนและการสร้างเสนาสนานี้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ข้าพเจ้าบันทึกไว้เพื่อเป็นจาคานุสติแก่ข้าพเจ้าเองและเพื่อลูกหลานรู้แล้วจักได้นโมธนาเกี่ยวกับหนังสือได้เขียนหนังสือไว้หลายแบบหลายรสเช่นนวนิยายอิลธรรมทางพระพุทธศาสนาบทความทางวิชาการหนังสือตำราเรียนหนังสือสำหรับประชาชนทั่วไป ย่อความและขยายความพระไตรปิฎกเป็นต้นประมาณ130เรื่องตั้งแต่พุทธศักราช 2,507 ถึง 2,552 โดยเฉพาะเรื่องพระอานนท์พุทธนุชาญ น, นั้นนอกจากจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทยแล้วสารานุกรมวรรณกรรมโลกในศตวรรษที่20หรือ Encyclopedia of World Literature in 2 w e n t h Century ได้นำเรื่องพระอานนท์พุทธานุชาไปสะดุดีไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้นเป็นทำนองว่าได้ชี้ทางออกให้แก่สังคมไทยที่สับสนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหานา น, านับประการ